บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ใกล้จะเจริญพระกรรมฐานแล้วเป็นเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเสรแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างเสียก่อน แต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าคนตัวอย่างก็จะขอให้สติกั บ, บรรดาเพื่อนสาธารมิกาทั้งหลายเว่าหลายท่านเดยกันทั้งหมดพว่าขอให้ใช้คำว่าทั้งหมดด้วยว่า <c oughs> วันนี้มีโอกาสว่างจากการรับแขกนิดหน่อยได้มีโอกาสเดินไปตรวจสถานที่ เห็นบรรดาพิสุทธิ์สมณีหลายท่านทำกิจการงานการทำหน้าที่ข้ตนที่พึงทำ <c oughs> เรื่อว่าทุกคนทำตามความสามารถที่พึงทำได้โดยที่ผมไม่ได้ใช้ให้ท่านทำด้วว่าทุกท่านทำด้วยความเต็มใจและด้วยศรัทธาอันนี้เป็นเครื่องหน้าโมทนาอย่างยิ่ง เพราะว่าการบริหารวัดการสร้างเสริมการตกแต่งวัดให้ดีอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าเป็นกรุสลนี้เนื่องด้วยวิหารทานผมข อ, อนมโมธนาในความดีของทุกท่านที่ต่างคนต่างทงาํางานตามหน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานสร้างวัดแตเป็นงานสน่วนอื่น ที่เป็นปัจยัยให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอโนโมธนาแต่ทว่าเมื่อคืนนี้ที่แล้วมาออกเดินตรวจภูมิประเทศ ค, คือสถานที่ไปพบบางท่านเข้าออกประตูปิดดังเกินไป <c oughs> คือเวลาปิดเปิดใช้เสียงดังบ้าง บางท่านก็ไปทำงานเข้าในเวลากลางคืนเพราะเวลาที่เขาต้องการความสงัดกิจการที่ทำอย่างนี้มันเป็นการขาดทุนผมยังไม่ถึงกับติท่านแล้วก็ขอติงไว้ให้หนาไว้ว่าเวลาที่เขาจะเจริญสมถกรรมาฐานมิปัสนากรรมาฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน ไม่ควรจะใช้เสียงเลยเพราะว่าเราทราบไม่ได้ว่าการจเจริญกรรมฐานกรรมฐานมิปัะสนากรรมฐานของท่านใดจะใช้เวลาเท่าไหรจงอย่าคิดว่าท่านจะทําพียงแค่ขึ้นชั่วโมงหรือสิบนาทีสามสิบนาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงบางท่านก็อาจจะใช้อารมณ์ตลอดคืนก็ได้ก่อนจะหลับ ดังนั้นขอบรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพิสุท์สมณีทั้งหลายในเวลากลางคืนควรอยงดเสียงเสี้ด็บขาดสําหรับทางร้านค้าที่อยาฟังวิทยุก็ขอให้ฟังกันแตเสียงเบาๆพอฟังกันเฉพาะในบริเวณที่นั่งใกล้ๆได้ยินได้โปรโดอย่าให้เสียงไปรบกวนพระหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กําลังเจริญพระกรรมฐาน เพราะว่ากิจการงานอย่างนี้เป็นเรื่องการขาดทุนอย่างริ่งเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเป็นมหาโกศลแต่การสร้างเสียงรบกวนก็เป็นมหาอกุศลเหมือนกันท่านที่เจริญกรรมฐานมีบุญใหญ่แต่การส่งเสียงรบกวนนเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นขอททนาหลายจงอย่าทำเพราะมันขาดทุน ตอนนี้ไปผมขอเล่าเรื่องของผมสรุปเมื่อคืนที่แล้วสรุปมาในตอนต้นนี่สำหรับตอนหลังที่เวลาที่ผมตายลงไปหรือว่าเกือบตายก็ดีผม ม, มีอารมณ์ใจมีความสุขทั้งทั้งที่ร่างกายที่เขาเรียกกันว่ามีทุกขเวทนาอย่างสาหัส ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก่อนจะตายแต่ละครั้งอาการมันก็บีบคั้นทุกอย่างอย่างอาการอื่นก็ดีเสียดก็ดีแน่นจุกท่อออกคนมาเกือบจะให้ใจไม่ออกจึงก็ทั้นอนไม่ได้อาการอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอาการปกติหรือว่าเป็นอาการที่ทรมานอย่างยิ่ง ขอให้ท่านหลายช่วยกันวิจันิดนึวินิจฉัยเอาเรื่อการอีกประการหนึ่งอีกตอนหนึ่งี้เมื่อปีพศออ2512นั่นก็เพราะอาศัยความร้อนเผาผลาญจึงกระทั่งกำลังกายทนไม่ไหวส่งตัวอยู่ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้เดี๋ยวไปช่วยงานพระภูวิชาญชายคุณ ต้องรีบกลับรู้สึกว่าหน้ามันมืดเวียนทิศใจวิวอารมณ์ใจสันริษเกือบจะทรงตัวไม่ไหวเดินนั่งก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเรื่องเดินไม่ต้องพูดกันเดินมากว่าจะลงเรือหางยาวได้รู้สึกว่ามันวิวใกล้จะลมหลายครั้ง แต่ก็พยายามเอากำลังใจเข้าไปควบคุมไว้ทรงกายไม่บอกใครว่าป่วยอาการอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์ท่านเห็นว่ามันทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยแต่ความจริงสำหรับผม มีวความรู้สึกว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นร่างกายมากและมาตอนสุดท้ายเมื่อปีพศ2515ปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบ12ปีตามกำหนดที่สัญญากันไว้ หากว่าท่ญญานจะถามว่าผมสัญญากับใครถ้าผมบอกไปท่านอาจจะเห็นว่าผมเพ้อเจือเหลวไหลก็ได้แต่ผมก็บจะบอกกับท่านเพราะการอย่างนั้นหรือว่าวาระนําจิตอย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้าท่านนั้นไหลไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในจิตในการที่รับคําแนะนําสั่งสอน แต่ว่าการแนะนำสั่งสอนของเรานี่สอนมากเกินไปสอนเสียทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีสำนักไหนเขาทำกันแบบนี้แต่ทั้งนี้ผมก็ถือว่าถ้าทำใดที่เป็นคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินศรสีมีอยู่เพียงใดที่สอนนี้มันก็ยังไม่ถึงแปดหมืนสี่พันบัธรรมคัน เราก็ว่าการรันโดยเฉพาะในด้านปฏิบัติผมไม่มีนิสัยปกปิดวิชาความรู้ใดๆ <c oughs> สิ่งใดทุกอย่างถ้าท่านสามารถจะพึงรับได้ผมพร้อมจะให้แต่ได้ว่าถ้าท่านรับไม่ได้ก็ไม่รู้จะให้อย่างไราการรับจะพึงรับได้แน่งก็คือหนึ่งมีจรณะสิบห้าครบถ้วน สองมีบารมีสิครบทวนสามมีอิทธิบาทสี่ครบทวนีวนน้กศีมีพรมหมฐารสี่ครบทวนห้ารัก ล, ล, ละกะติอกติสี่ครบทวนหกอะไรดีพยายามคมนิวรจะให้เป็นเจ้าขอหัวใจเจ็ด มีอารมณ์รักในอริยสัจทั้งสี่สร้างความเข้าใจในอริยสัจทั้งสี่ถ้าอารมณ์ของท่านหลายสทงได้อย่างนี้ <c oughs> ผมก็คิดว่าความรู้ความสามารถที่ผมได้มาเล็กน้อยในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายก็สามารถจะรับไว้ในหมด แต่ความจริงความรู้ความสามารถของผมนี่ไม่มีอะไรมากเลยสิ่งที่จะพึงได้มาในพุทธศาสนาก็คงจะเป็นหยดหยดหนึ่งในในไหลฟันล้านหยดที่องค์สมเด็จตัว ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีแต่ทิ้งกันนั้นก็ดีก็วิธีน่าสิดายว่ายังไม่มีใครสามารถจะรับภาระนี้ได้หมด แต่ถึงกระไรก็ดีก็มีหลายท่านที่ตั้งใจจริงมีการเสียสละทุกอย่างตั้งกำลังกายกำลังความคิด ก, กำลังทรัพย์มีสันโดษตัดโลภความโลภพยายามล ะ, ละตัดขรวโทสะโทส ะ, ทสะความโกรธ ตัดโมหะความหลงซึ่งเป็นจริยาที่คล้ายคลึงกันกับผมที่ปฏิบัติมาในเบื้องตน้นคิดว่าท่านหลายเหล่านี้ก็คงจะรับเอาไปได้แต่ผมก็จะพยายามทุกอย่างที่มีอยู่ถ้าว่าท่านเห็นว่าท่านพใดมีความสามารถแต่ผมจะไม่เลือกบุคคล ถ้าให้ก็ให้ทุกคนแต่ใครรับได้คนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยผมเบาใจอย่างยิ่งเพราะว่าคุณสมบัติที่ได้มนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านทั้หลายรับไปให้หมดและยิ่งรับมาจากที่อื่นดีกว่าผมผมจะพอใจอย่างยิ่งเพราะทั้งนี้จะเดิส่งเสริมพระพุทธศาสนา นี่มอว่ากันต่อไปถ้าอาการตายข้างอาการจะตายข้างที่สุดท้ายคที่หกห้ข้างที่ห้าสินะมันเป็นทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือว่านับตั้งแต่ปีพศอสอส2509เป็นต้นมาผมถูกอาการบีบคั้นในโรคทางกระเพาะอาหารและลำไส้ ยาชั้นอะไรจะบริโภคอะไรก็ตามมันก็จุกมันก็เสียดอาการจุกเสียดที่มันมีทุกวันบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ท้งลุกไม่ขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีอาการหนักจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นแต่มีแขกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำคนมาจากพิสุนโลก ท่านมาหาผมลุกจากที่นอนไม่ไหวท่านมาเรียกผมก็บอกว่าวันนี้รับแขกไม่ไหวเพราะร่างกายลุกไม่ขึ้นมันทั้งจุกทั่าเสียดผลที่ได้รับก็คือข่าวกลับมาทีหลังว่าท่านบอกว่าท่านโกรธมากหาไว้ฉีกหน้าท่านท่านลุงซานํานเพื่อนมาจากที่ไกลแต่ก็ไม่พยายามรับ เนี่ยอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางอาการอยู่เสียดแบบนี้มันทําลายร่างกายตลอดมาจนท่าสูบผอมฉันอาหารไม่ไหวยายฉันอาหารเขาต้องเลือกแตะเข้าไปสองสามช้อนแม้แต่ช้อนเลน่ช้อนแรกวันหลังบางทีมันก็ไม่อยากจะคลืนแต่ก็ไม่ทราบว่าร่างกายมันส่งอยู่ได้อย่างไงการอาเจียนมีเป็นปกติ บางวันแลืมอ่อยวันที่สุดนั่งนั่งอยู่ดีๆพอลุกขึ้นมาคนหน้ามืดแล้วบางครั้งก็ไอเป็นเดือนทว่าให้หมอตรวจปรากฏว่าไม่พบโรค ท, ทั้งทั้งที่กำลังไอที่กำลังไอเกียนก็ยังมีคนมาใช้ให้ทำภารกิจของท่านวันทั้งวันแลวท่านผู้มานี่ก็ไม่ได้ดูอาการว่าผมป่วยหรือไม่ป่วย อาการอย่างนี้มันเป็อากายของความสุขและอาการของความทุกข์ในสุดกระยะายก็อาเจียนหนะัออกอาเจียนยิงตั้งฉันอะไรไม่ไหวแต่ถ้าว่ากําลังใจของผมนั่นเราพูดเกี่ยงกายเรื่องทุกขเวทนาต่างกายและไม่เกิดขึ้นมาอย่างไรเราก็รู้เราเพราะเราไม่ใช่หัวหลักหัวต่อ เมื่อก็รู้ด้วยกันทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่บทมานานเคยเจริญสมณธรรมพอสมควรหรือว่าถึงแม้แต่พระอราหันต์เช่นท่านท่านพระสัจฉิเวลาก่อนหน้าที่ท่านจะนิพพานเล็กน้อยอาการเช่นผมที่เป็นท่านเป็นเหมือนกันกันกบผม นี่ประเดี๋ยวท่านจะคิดว่าผมย่องไปเกิดทันท่านทันเ ข, ข้าสมัยนั้นผมเกิดแล้วเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้จากขันธวัชในพระไตรปิฎกท่านมีอาการอย่างเดียวกับผมทุกอย่างจนกระทั่งทนไม่ไหวให้พระปรนิมลองค์สมเด็จพระลัมไตรยบรมศา ส, สาสารีสริกธารด เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้รัตตราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนาหนักความดีที่มีอยู่เห็นจะสลายตัวเสร็จแล้วตอนนั้นองค์สมเด็จพระบัีแก้วจึงในทรงตรามมาสัชิรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเธอหรือหรือว่าเธอมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ท่านพระอาาัชชิก็กราบทูลว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพรบ า, าสชิตอบอย่างนี้องค์สมเด็จพระสีนาสียังได้มีพระโพธิการตั้ว่าอัชชิความดีของเธอยังไม่หมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสโคตทรงพยากรณ์อย่างนั้นท่านก็ชื่นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไรทนน่านก็นิพพาน เพราะว่าท่านเวลาท่านปวดท่านเสียดแต่ท่านท่านไม่ได้โผูกพันร่างกายอยู่ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นาการของร่างกายในเมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรตัดอย่างนั้นทรมาปีติก็เกิด <c oughs> อารมณ์ที่เข้าไปคล้อทุกขเวทนามันกวางนี่ผมก็จะมาบอกที่อาการของผมแต่ว่าท่านอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันย์อย่างแบบทาสัินะอย่าคิดอย่างนั้นจงคิดแต่เพียงว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาเรานี้เองเพราะตั้งแต่ต้นหลังจากที่ผมตายครั้งที่สาม คือ ท, ที่ผมเล่าว่าระหว่างนั้นสภาวะของจิตมันเข้าไปเห็นพระนิพพานแล้วพระท่านกระเตือนบอกว่าเธอจงกลับไปเจริมิปเสนายานให้ให้เข้มข้นแต่การที่เข้ามาในเขตนี้พระหมดกําลังกายก็เพราะว่าวิปเสนาญานอ่อนไปแต่ว่ากําลังสมาธิของเธอดี เมื่อองค์สมเด็จพระจีเนาศีจัดอย่างนั้นนี่ตามภาพในมิชนาที่ตายจะหาโ อ, โ อ, โอตอริพนรสุธรรมก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นเวลาเรื่องของความตายผมกลับมาผมทํานยังไงทราบไห่ท่านผมไม่พยายามนั่งหลับหูหลับตาให้มากนะักจะมีหลับบ้างก็ น, นิดหน่อยในเวลาหลับตาจเจริญเจริญธรรม ส่วนสำคัญที่สุดงานผมหนักไม่งานหลยด้านงานโยธาทิการงานยุ่งกับการสอนงานยุ่งกับภาระเรื่องของพระมันแบกเกือบจะไม่ไหววันทั้งวันคืนทั้งคืนเรื่องของคนก็หนักแค่ก็มากร่างกายก็ไม่ดีแต่ผมก็เอาเวลาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละเอามาเป็นวิปาาัสนาญาณ คนขึ้นมาหาผมทุกคนผมจะถามเขาว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ในความเป็นอยู่การแต่งงานมีความสุขไหมสามีเป็นยังไงอัญญาเป็นยังไงบทเป็นยังไงแต่ทุกคนเขาก็ตอบว่ามันมีความทุกข์ผมก็จําไว้ ว่าการแต่งงานไม่เป็นเรื่องมันทุกข์ถามทุกคนไม่มีใครตอบว่าเป็นมีความสุขคนที่ไม่มีลูกอยากจะมีลูกแต่คนที่มีลูกแล้วถามก็บอกมีลูกแต่และคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี้ถ้าเป็นสตรีสาวเวลาขึ้นมาหาผมเขก็ถามว่าเธอมีความสุขดีหรือร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ชอบถามถามว่าเวลาที่จะมีประจำเดือนน่ะมันปวดท้องไหมบางคนหน้าตาสวยสดกงามมากแตก่ว่าปวดทรทนไม่ไหวถามถึงกำลังใจกิจาการงานทุกอย่างความภาระที่มีอยู่เธอก็ตอบว่าทุกเธอก็ตอบว่าลำบากผมก็เอารมทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องสอนใจผม ว่าคนทุกคนที่หลงอยู่ในขันห้ามมันเป็นทุกข์ทีนี้เวลาที่ผมพบอะไรขึ้นมาผมถือศัพจุศหนึ่งคือว่าถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใครเข้าชมเราก็ไม่ติดในคำชมมีความรู้สึกว่าคนที่ชมนี่ตาไม่ดีเพราะผมไม่มีอะไรจะดีทำไมจะนั่นั่งชมกันว่าดี ถ้าเป็นโดนใครเขาติผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านโดนติโดนด่ามากกว่าเราท่านดีขนาดนั้นถ้ายาโดนติโดนดา่าก็ให้เรานี่มีความดีไม่ได้หนึ่งในหลายแสนล้านของท่านทําไมเราจะไม่โดนดา่าโดนติผมก็ใช้อารมณ์ธรรมดาถ้าทุกขเวทนาไมนเกิดขึ้นผมไม่ได้สนใจมนันละ ผนถือว่ามียาบรรเทาได้ก็บรรเทาไปถ้าบรรเทาไม่ไหวมันจะตายก็เฉางพรามันผมไม่ได้สนใจแต่การป่วยใครถามก็บอกว่าป่วยถามว่ารู้สึกในทุกขเวทนาไหมก็ต้องตอบว่ารู้รู้จนกระทั่งมีความรังเกียจร่างกายเพราะร่างกายนี้มันไม่มีสภาวะแห่งความดีอะไรเลย ฉะนั้นอารมณ์ใจของผมทั้งหมดจริงจิตตั้งอยู่ในคําหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบรมสุคต์ทรงสอนในมหาสติปัฏฐานนั้นสนอกจากเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความจริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาอารมณ์มันก็ไม่เกาะไม่ยึดเกาะยังไงคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มันเป็นของธรรมดา ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดาการมีการเสียแทงเกิดทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นของธรรมดานินทาด่าสันเสริมมันเป็นของธรรมดามีกินหรือไม่มีกินมันเป็นของธรรมดาถ้ามันจะกาะอะไรในเมื่อารมณ์ยึดธรรมดาได้แล้วผมก็เลยคิดว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็พัง มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นเรือนร่างที่กิเลสตัณหาอุปาทานแล้อคติแลกรรมสร้างขึ้นเราถือว่ามันกับเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกั น, ร, นร่างกายมันเป็นเรือนร่างที่อาศัยข้องจิตเท่านั้นจะพังเมื่อไห่ก็เชิญ น, นอกจากนั้นใครจะมาบอกว่าทรัพย์สมบัติผมมีที่ น, น่นทรย์สมบัติมีที่นี่จะมาพูดกับผมเลย ผมสัรที่สระปฏิเสธทันทีเพาเรื่องนี้ไม่ต้องพูดฉันเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายของฉันมันก็ยังจะสลายตัวทำไมจริงจะมาบอกว่าฉันมีทรัพย์อยู่ที่นั่นฉันมีทรัพย์อยู่ที่นี่นีนอนน่อารมณ์อย่างนี้มีสภาพเป็นปกติ แค่นั้นเวลาที่มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพียงใดอารมณ์ใจของผมก็สบายไม่มีความเดือดร้อนเลยนี่อารมณ์เป็นสุขที่ว่านี่มันเป็นธรรมดาของมันขันห้ามันจุกขันห้ามันเสียดมันอาเจียนมันหวาดมันหวิวเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่าถือเป็นธรรมดานี่มันจะตายแล้วก็เฉญ มันจะอยู่ก็อยู่มันจะพังก็พังช่างของมันไปถ้าจะถามว่าทรัพย์สินท่านหลายที่ก่อสร้างไว้ที่มีไว้ในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่มันไม่ใช่สมบัติของผมนี่มันเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาผมจะไปห่วงกันเรื่องอะไรอารมณ์มันก็เป็นสุขใจเป็นสุขเมื่อใจเป็นสุขแล้วร่างกายไม่จะทุกข์ยังไงก็ช่างขอวมัน มันจะทุกขก็ทุกข์แต่ใจเป็นสุขที่กหมดเรื่องอารมณ์เป็นสุขจริงๆ ถ, ถ้าถามถ้าจะถามว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนใช้อะไรนะครับ <c oughs> ผมก็ตอบว่าผมไม่ได้เช่าชาญสมาบัติอย่างที่เขาทากันไม่ใช่เวนั่งใช่อารมณ์เครียดเปมีการหลีกเลี่ยงทุกขเวทนาผมปล่อยใจส บ, สบายที่ว่าเรื่องธรรมดาของมันก็ของมัน อารมณ์ใจของผมเวลานั้นก็มีว่าจับถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆ์คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาน่าคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรอะสวยกว่าเราขันห้าอย่างพังแต่ขันห้าของเราซึ่งเป็นเด่นส่วนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จะทรงตัวอย่างได้ยังไง ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีความสุขก็เพราะจิตใจไม่ติดกิเลรขันห้าเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายใจก็มีความสุขร่างกายเครียดใจก็ไม่เครียดด้วยใจเมือม่อร่มสบายสบายจนกระทั้งใครเพราก็มาข้าในโรติกี่คนกี่คนผมก็ไม่รู้เรื่องทั้งหมด <c oughs> ไม่รู้ว่าเขามากันอะไรนี่ระบรรดาท่านทั้งหลาย เป็นอนุว่าการที่ผมสรุปเพื่อนท่านฟังๆๆก็เพจะได้รู้ถึงกําลังใจที่ผมใช้อยู่ว่าผมนี่ไม่ได้ทำการเครียดแบบเขานั่งห้าชัช่วโมงสีช่ชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่มีสําหรับผมผมใชอารมณ์ยามปกติเป็นสมถะหรือะวิปัสนาใช้ใจสบายๆคนที่สุดอารมณ์ใจก็เป็นสุขเราสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเช่แล้ว ก็ขอระงับไว้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสำหรับเรื่องการตายของผมก็ขอจบลงในขั้นที่หกแต่เพียงเท่านี้